นี่พอพรมอาราธนาอย่างนั้นนะนะด้วยจิตที่เป็นกรุณาของพระ อ, องค์เนี่ยนะด้วยจิตที่เป็นกรุณาของพระ อ, องค์ก็รับที่จะแสดงธรรมแต่ น, นี้นี่เป็นเป็นคำที่ยกมาพิเศษว่าในในหน้าแรกเลยนะในบาหลีหน้าแรกที่บอกว่าเท้าสามบดีพรมผู้เป็นเจ้าแห่งสัตว์โลกประคองอัญชลีทูลขอพรอันยอดเยี่ยมว่า หมูสัตว์ในโลกนี้ที่มีกิเลสดุดทุลีในดวงตานาะ ย, ยังมีอยู่ขอพระองค์ทรงเอ็นดูกรุณาแสดงธรรมโปรดหมูสัตว์นี้ด้วยเถิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้าแต่พระผู้นำขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโปรดแสดงอมะตะบทโปรดแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายอันนก็เป็นคำํำสรุปว่าเอ่ยคำเนี่ยที่พรหมราตนานี่ราธนาเมื่อไหร อันนี้อธิบายคําแรกนะอธิบายคําถามที่ว่าก็มีสคําถามนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพรหมาราธนาให้แสดงธรรมเมื่อไหรคาถานี้ใครกล่าวใครยกขึ้นกล่าวกล่าวเมื่ อ, อไหร่กล่าวที่ไหนก็บอกว่าเออพรหมเนี่ยราธนาพระพุทธเจ้าสัปดาห์ที่8หลังจากตรัสรู้เนี่ยนะมันก็ได้ตอบไปแล้วส่วนค่าฐาที่บอกว่าคาฐานี้ท่านกล่าวเมื่อไหรก็บอกว่ากล่าวกล่าวอีกครั้งเมื่อไหร่บอกว่ากล่าวเมื่อทําสังขานาครั้งแรก สังขยาใหญ่ครั้งแรกในการสังขยาใหญ่ครั้งแรกนั้นมีอยู่ในสังคีติคันธกะก็คือในคันธกะในพระวินัยนะก็มีการกล่าวถึงการสังขยาของอพระเทระทั้งหลายมีพระอ น, นุนเป็นต้นมันก็มีการกล่าวเมื่อไหร่บอกว่าหลังจากที่พรหมราตนาก็มีการกล่าวในพุทธพจน์หลายแห่งด้วยกันแล้วก็สุดท้ายก็มีการกล่าวรวบรว ม, รวมตอนทําสังขยา ถามว่ากล่าวที่ไหนตอบว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วค่าถาว่าพรหมมาเจโลกาธิปติเป็นต้นเนี่ยทราว่าท่านพระนนนเถระผู้นั่งอยู่ณนะธรรมะในมณฑปสารมันธสถานที่ควรเห็นคล้ายกับดวงจันทร์เต็มดวงเป็นสถานที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะผู้ชนะศัตรูทุกคนเป็นมหาราชพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นมคต อนนได้สร้างมนดบอันนี้ไว้ใกล้ประตูสัตบัรญครูหาข้างภูเขาเวปาระพระนครราชครึกเพื่อทําสังขยานาพระธรรมได้กล่าวเอาไว้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องให้รู้ว่าคํานี้คําที่พระมราธนากล่าวครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แปดคาถาเนี่ยยกขึ้นกล่าวเมื่อทําสังขยานาครั้งที่แรกแล้วก็พระนน์เนี่ยยกขึ้นกล่าวเนี่ยนะพระนน์ยกขึ้นกล่าวสมัยทําสังขยานา มันก็ท่านบอกว่าตั้งจากนี้ไปท่านก็จะพูดเฉพาะบทที่ยากเท่านั้นก็รายละเอียดที่เหลือก็เป็นเกี่ยวกับพรมศับว่าคําว่าพรมมาเจโลกาเนี่ยนะคำว่าพรมเนะี่ยโดยศับเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรโดยศัพท์พรมนี่แปลว่าผู้เจริญเจริญด้วยอะไรก็เจริญด้วยคุณวิเศษนั้นนั้นมันคำว่าพรมเนี่ยมีความหมายว่าผู้เจริญด้วยคุณวิเศษผู้มีคุณวิเศษชื่อว่าพรมแต่พรมศัพท์ คำว่าพรมเนี่ยนะในพระไตรปิฎกตรงนี้ท่านบอกว่ามีห้าอัดยกมาให้ดู5้าอัฏฐะคือมีหความหมายนะไม่ใช่ไปเจอคําว่าบรมสัพพมาบรมสัพในพระไตรปิฎกแล้วไปแปลว่ามหาพรมทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าในพระไตรปิฎกใช้อยู่5้าความหมายความหมายว่า 1. มหาพรมคือพรมจริงๆเลยแหละความหมายที่สองหมายถึงพราหมณ์ความหมายที่4หมายถึงพระตถาคตคือพระพุทธเจ้า ความหมายที่5พรมนั้นหมายถึงบิดามารดาคือพ่อแม่ความหมายสุดท้ายบอกว่าผู้ประเสริฐสุดเป็นต้นนะยังมีอย่างอื่นอีกที่ไม่ได้ยกมาแสดงยกตัวอย่างแรกว่าศับว่าพรมเนี่ยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเช่นในประโยคเป็นต้นว่าทวิสหัสโซบร ม, มามหาพรมสองพันอันนี้ในมัชฌิมานิกายที่กล่าวถึงแม้กระทั่งในหลายสูตรที่กล่าวถึงว่าพรมที่มีรมัศมีมีอำนาจได้พัน อันนั้นสองจักรวาลหรือว่าพรหมมารวมกัน 2,000 องค์เป็นต้นเน่ยเขาก็มีศัพท์เกี่ยวกับพรหมก็คือพรหมอ่ะนะพรหมชั้นไหนปริตตาภาเอ่อพรหมปโรหิตามหาพรหมมาอาพัสราสุภกินหามหาเวหะปาราเป็นต้นอ่ะอันนี้ก็คือรวมทั้งว่าพรหมอ่ะนะเรียกว่าพรหมพรหมพันคําว่าพรหมในพระไตรปิดกก็แปลว่าพรหมจริงๆอ่ะนะพรหมก็คือใครก็คือไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวดาการมาวจรอ่ะเนื้อการมาวจรขึ้นไปเขาเรียกว่าพรหม ส่วนในที่สองเนี่ยสาวะพรมนั่นหมายถึงพรามหมายถึงพรามที่ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะลูกศิษย์ของพรามภาวรีไปเล่าให้พรามภาวรีฟังว่าคือพรามภาวรีเนี่ยส่งลูกศิษย์ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปเฝ้าพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็บรรลุ ก, กันหมดส่วนท่านปิงคิยะเนี่ยนะท่านปิงคิยะนี่ก็กลับไปเล่าให้พรามภาวรีฟังว่าตโมโนโถพุทโธสมนตะจักขุ โลกันตะคูสัพพะภาวะติว NO, ัตโตอน า, าสโวะสัพพะทุขัปะหีโนสัจวะหโยบรเมอุปาสิโตเมนสัจวะหโยบรเ ม, มอุปาสิโตเมไอ้บรเ ม, มตัว น, นั้นอ่ะแปลว่าดูก่อนพราหม์พราหมณ์ตัวนี้หมายถึงภาวรีพราหม์นะนะดูก่อนพราหม์บรเ ม, มดูก่อนพราหม์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุโทธเจ้าพุทโธคือพระพุทธเจ้า ตะโมนุโทผู้บรรเทาความมืดสมันตาจากขผู้มีพระจักโสรอบพอบโลกันตะขูผู้ถึงที่สุดแห่งโลกคือบุิพันสัพพะภาวาติวตัตโตทรงล่วงพบทั้งปวงอนาสโวไม่มีอาสวะสัพพะทุกขะปะหีโนทรงละทุกได้หมดแล้วสัจจะวะหโย ο. เรียกกันว่าพระสัจจะคือผู้จริงแท้นี่องค์นี้ของจริงว่า ง, งั้นเถอะ เราเนี่ยเข้าไปเฝ้าอย่างใกล้ชิดแล้วนะก็คือหลานเนี่ยคือปิงคยะเนี่ยพระปิงคยะเนี่ยก็ไปเล่าให้ลุงฟัง น, นะลุงคือภาวรีพรามฟังว่าเขาไปพบปร พ, รรพระพุทธเจ้ามาจริงๆพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเป็นของแท้นะนะไม่ใช่คําแต่คําลวงใช่แต่คาําโฆษณาแต่ที่แท้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงแต่ว่าคําว่าสัจจวะหายโยบรมเมอุปาสิโตเมเนี่ยบรัมเมตัวนั้นเนี่ยหมายถึงพรามเนีนะเป็นเป็นคำที่ ลูกศิษย์กล่าวกับอาจารย์น่ยนะที่หมายถึงวันณะพราหมณ์บรัมเมพหมายถึงจริงๆโดยศัพท์แปลว่าพรหมแต่ว่ามีความหมายว่าพราหมณ์หมายถึงพราหมณ์โดยชาติกําเนิดส่วนอีกความหมายหนึ่งนั้นหมายถึงว่าพระตถาคตอย่างว่าบ ร, รัมมาติโคภิกเวตถาคตัตเสตังอธิวจนะางดูก่อนพิสูจน์ต่างหลายคําว่าพรมนี่แลเป็นชื่อของพระตถาคตเนี่ยนะในบางสูตรเนี่ยคำว่าพรมนั้นหมายถึงพระองค์เองคือพระตถาคตนั่นแล ในบางสูตรเนี่ยนะอย่างเช่นในอังคุตระนิกายทุกขะนิบาตท่านก็บอกว่าคําว่าพรมเนี่ยหมายถึงมารดาปิดาเช่นว่าคําว่าบรมมาติมาตาปิตโรปุภาจริยาติวุจเรแปลว่ามารดาบิดามารดาปิดาเราตะทาคตเรียกว่าพรมมารดาบิดานี่เรียกว่าบุรพาจารย์บรมมาติก็คือพรมพรมก็หมายถึงว่าพ่อแม่นี่คือผู้ประเสริฐแท้ หรือว่าเรียกว่าอาจารย์ท่านแรกอาจารย์ตอนต้นก็ได้นี่นะถามว่าใครสอนให้อาบน้ําล้างหนะ้าแปรงฟันขัดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยใครสอนบอกว่าพ่อแม่ทั้งนั้นแหละมันจะเรียกว่าปุพพาจริยาว่าบุรพาจารย์เหมัอนกันนะอาจารย์คนแรกแหละที่สอนทุกเรื่องสอนทุกอย่างเหมือนกัน บางทีนั้นคําว่าพรมนั้นหมายถึงคําว่าประเสริฐเหมือนกันเช่นบรมจักกังปวัตเตติเนี่ยบรมจักกังเรียกว่าประกาศพรมจักให้เป็นไปหรือว่ายังพรมจักให้เป็นไปพรมจักอันนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงธรรมจักนั่นแหละธรรมจักกังบรมจักกังก็คือมีความหมายว่าประเสริฐมากคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐไม่ใช่สิ่งธรรมดาเพราะว่าเสียงเหล่านี้สามารถนําออกจากทุกได้ นี้พูดมาซะยืดเลยแล้วถามว่าพรหมศับในคำว่าพรหมมาจโลกาพรหมตัวนั้นหมายถึงใครบอกว่าหมายถึงผู้เจริญปฐมฌานอันประนีตแล้วบังเกิดในภูมิแห่งปฐมฌานหมายเรียกว่ามหาพรหมมหาพรหมไม่มีอายุกับหนึ่งคือเขามีพรหมเนี่ยนะพรหมเขามีพรหมปฐมฌานภูมินี่มีอยู่3อย่างคือปริสัทชาพรหมปุโรหิตาพรหมแล้วก็มหาพรหมเนี่ยนะเขาก็แบบมหาพรหมเนี่ย บริษัทชาปรมมาอ่โปรโรหิตาบระมาแล้วก็มหาประมมาที่ที่เขามีในธรรมจักรนะบางแห่งก็จะมีส่วนในลักษณะนั้นพั้นคำว่าพรมหมายถึงเท้ามหาพรมปฏิเสธพรมชั้นสูงกว่านั้นปฏิเสธพรมชั้นล่างกว่านั้นอนะนะมั้นพรมนี้เป็นใครเดี๋ยวค่อยกล่าวอีกครั้งหนึ่งจะศัพท์นี้เป็นสัมบินตนะแปลว่ารวบรวมรวบรวมว่าพรมมาเจโรกาพรมไม่ใช่พรมมาท่านเดียวแต่มาเยอะมาก มาทั้งพรห ม, รม ใ, นในจักรวาลนี้ด้วยพรหมจักรวาลอื่นด้วยมาเป็นหมื่นจักรวาลก็เลยเรียกว่าบรมมาจะโลกาธิปติเนนะจะตัวนั้นเนี่ยหมาย ว, ามว่าพรหมด้วยด้วยเนี่ยด้วยไหนก็ ว, ว่าโอ้ยพรหมมาหลายจักรวาลหมื่นจักรวาลเลยพรหมมาจะโลกาธิปติเนะโลกะโลกเนี่ยนะหมายถึงว่าโดยสัพเนี่ยโลกมีอยู่3อย่างสังขารโลกสัตวโลกและโอกาสโลกแล้วคําว่าโลกาธิปติล่ะหมายถึงอะไร คำว่าเป็นผู้ใหญ่ในโลกหมายว่าใหญ่เท่ามหาพรหมเนี่ยใหญ่กว่าบรรดาสัตว์โลกเลยชื่อว่าโลกาธิปติเรียกว่าโลกาธิบดีอะทิบดีกรมนั่นกรมนี่ก็คือใหญ่ที่สุดในกรมนะเขาเรียกว่าอธิบดีเนี่ยเนี่ยโลกาธิบดีก็คือใหญ่ในโลกก็ว่าโลกาธิบดีเพราะเป็นใหญ่เป็นเจ้าแห่งสัตว์โลกผู้เป็นเจ้าส่วนหนึ่งแห่งโลกเรียกว่าโลกาธิบดีเหมือนอะไรเหมือนเทวาธิบดีใหญ่ในหมู่เทวดา เรีว so so the ่าเทวดาผู้ใหญ่เขางั้นใหญ่ที่สุดในเทวดาเรียกว่าเทวาธิบดีนราธิบดีก็คือใหญ่ที่สุดในหมู่คนคนที่ใหญ่ที่สุดในหมู่คนเรียกว่านราธิบดีอันนี้หมายถึงพระราชาพระราชานี่ใหญ่ที่สุดในหมู่คนแต่สมัยนี้ก็เรียกอธิบดีกรมนั่นกรมนี้ไปนะก็มันก็ใหญ่ที่สุดในกรมนั้นแหละประมานพรหมมาจโลกาที่ปฏิสหมปฏิเนี่ยนะสหมปติตัวนี้หมายถึงเล่ากันมาว่าพรหมองค์นั้นเนี่ยอดีตท่านเป็นพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าสหกะ ท่านได้บวชในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะเมื่อนื่นนานมาแล้วเนี่ยนะเมื่อพุทธันดรก่อนนู่นน่ะท่านทําปฐมฌานให้เกิดทําฌานให้ไม่เสื่อมเป็นฌานประเภทวิเศษภากคยะจริงๆแหละเรียกว่าเป็นฌานที่วิเศษมากนะไม่ใช่หาณาภาคยะไม่ใช่ทิติภากคยะแต่เป็นปฐมฌานประเภทวิเศษภากคยะทานปกปักรักษาดูแลอย่างดีจนสิ้นชีวิตก็บังเกิดเป็น มหาพรมมีอายุกลับหนึ่งในปฐมฌานภูมิสมัยนั้นเขาก็จําพรมองค์นั้นกันได้ว่าเท้าสามบดีพรมนะสามบดีพรมก็คือสหกะภิกษุนาธิบดีก็คือเป็นเป็นใหญ่นะสหกะผู้เป็นใหญ่ในหมู่พรมก็หมายถึงพรมองค์นี้แหละที่จริงควรจะใช้ศัพท์ว่าสหากะปฏิแต่ก็เรียกว่าสามปติก็โดยเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์บทว่ากตัญเฉลีก็คือมีอัญเฉลีอันธรรมแล้วแปลว่า กระพุ่มอัญชลีไว้เหนือเหนือเสียนเนี่ยนะก็เรียกว่าพรมยกมือท่วมหัวอาณาธิวรังถ้าหากว่าดูในในหน้าหนึ่งประกอบด้วยจะเข้าใจที่บอกว่าประคองอัญชลีทูลขอพร อ, อันยอดเยี่ยมคําว่าอาณาธิวรังแปลว่าพรยอดเยี่ยมคือพรที่ล่วงส่วนพรที่ยิ่งไม่มีพรไหนมันจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วเลยเรียกว่าอาณาธิวรังพรยอดเยี่ยมในบรรดาการขอทั้งหลายเนี่ยนะ เรียวสุดยอดของการขอไม่มีคําขอไหนจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็คืออะไรขออะไรขอให้แสดงธรรมเหมนนนะคำนี่เป็นคําขอที่ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นพรที่ไม่มีพรใดยิ่งไปกว่า น, นั้นเป็นพรที่ยอดเยี่ยมอาญาจะถะได้อ้อนวอนแล้วก็เชื้อเชิญน่ยนะขอจงระขอจงขอทรงเนี่ยนะก็คือเป็นคําประโยคอ้อนวอนขอร้องเชื้อเชิญเนี่ยนะ บัด น, นี้เท้าสามบดีพรมนั้นทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประโยชน์อันใดก็เลยแสดงประโยชน์อันนั้นกล่าวคําเป็นต้นว่าสันติธาสัตตามาจากคําว่าสันติบวกอิทัสันติแปล ว, ว่ามีอยู่อันเขาได้อยู่อธิบายว่าสัตว์ทั้งหลายที่มาสู่คลองพุทธจักรสุมีอยู่สันตินี่มีอยู่นะหมายความว่า คนที่พอจะบรรลุธรรมเนี่ยจริงๆแล้วพระองค์เห็นแล้วละนะพูดนะจริงๆแล้วพระองค์เห็นเขาแล้วละในในโลกนี้นะในโลกนี้แต่ว่าตรงนี้ก็แม้สันติสันติบวกอิทะก็รวมกันเรียกว่าสันติทะก็เลยมาเล่นขยายศั์ก่อนในตอนต้นๆของการแสดงคำภีทุกคำพีเนี่ยนะโดยมากพระอธิคธอาจารจะ จะรวบรวมศัพบว่าสั์นี้นะในพระไตรปิฎกมีกล่าวกี่แห่งแต่และแห่งมีความหมายอย่างไรบ้างเป็นตันเนี่ยจะยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าคนที่เรียบเรียงคำภีร์อัตถกถาไม่ใช่นักมั่วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าสเป ส, เ ป, ส, เ ป, สปะนี่ง่ายอ้างปาเลียอะไรนะอะไรนะเขาอย่างที่เขาถกเถียงกันนะบอกว่าอ้าวทุกอย่างเราทําอะไรไม่ได้หรอกอ้าวรู้ได้ยังไงว่าทาอะไรไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาพาะะนันเราก็ไม่ต้องทําอะไรสักอย่าง เพราะมันทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีอัตราที่ไหนไปทำไห น, นก็ได้หรือบอกว่าอะไรนะเขถกกันบางทีอ้างมั่วๆก็มีอะไรแนะ่ว่าถ้าทะเลาะกันว่าสัตว์น้ํากับกษัตริยนะ์บกกันไหนมากกว่ากันบอกโอ้ยสัตว์น้ามากกษัตริย์บอกสิอ้าบาลีมาอ้างแบบดำมู้นาวัตตีโลโกว่าอะไนั่นก็คือมันมันคนละเรื่องไปเลยก็มีอัะนนะัก็ไอาการอ้างแบบนั้นในยุคนี้มีมากมาย มันโบราณเนี่ยท่านก็บอกว่าการอ้างยกศัพท์ว่าศัพท์นี้มีความหมายอย่างนี้ศัพท์นี้มีความหมายอย่างนี้แสดงว่ารู้ความหมายอย่างอื่นก็เลยยกมาให้ดูว่าอิทธศัพท์ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีหลายความหมายเช่นหมายถึงาศาสนาก็มีหมายถึงโอกาสก็มีหมายถึงเป็นศัพท์แค่ทําบทให้เต็มก็มีหมายถึงโลกก็มีหมายถึงาศาสนานี้ก็มี ยกตัวอย่างเช่นว่าอิท่เนี่ยที่แปลว่านี่อะไรนี้นี้อะไรนี่อะไรนี้หมายถึงศาสนานี้เช่นอิท่าพิขเวสมโนอิท่ทุติโยสมโนอิท่ตติโยสมโนอิท่าจตุโถสัมโนสุญญาปรัปะวาทาสมเนพิอันเยหิอิเทวะเนี่ยนะมีว่อิเทวะเสร็จแล้วก็อิท่ทุติโยอิท่ตติโยอิท่าจตุโถ อิทธามีทั้งหลายแห่งอิทธะตรงนี้แปลว่าในาศาสนานี้แปลว่าดูก่อนพิ่สุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งมีในาศาสนานี้คือพระโสดาบันมีในศาสนานี้สมณนที่สองคือพระสกทาคามีมีในาศาสนานี้สมณนที่สมคือพระนาคามีมีอยู่ในาศาสนานี้สมณนที่สี่คือพระอรหันต์มีอยู่ในาศาสนานี้เท่านั้นส่วนลัทธิอื่นที่ไม่เป็นไปตามอริยมรตมีองค์แปด ว่างเปล่าจากสมณะผู้รู้คือว่างจากพระโสดาบันว่างจากพระสกทาคามีว่างจากพระอนาคามีว่างจากพระอราหารันต์เพราะฉะนั้นพระอรยะบุคคลทั้งหลายมีอยู่เฉพาะในศาสนานี้เท่านั้นพันนี้นี่หมายถึงศาสนาถ้าจะโยกแปลนี้แปลว่าอะไรอิทัทุติโยเนี่ยนะสมโ น, นบอกว่าที่สองนี้นี่ไหนก็คือ น, นี้คือนในศาสนานี้เพราะฉะนั้นเวลาโยกขึ้นมาพันอิทแปลว่าศาสนานี้ ส่วนบางแห่งเนี่ยนะอิทะเนี่ยนะนี้หมายถึงโอกาสเช่นอิเทวะติธมานสะเทวภูตสเมสโตปุณรายุจเมลัทโทเอวังชานาหิมาริสาเมื่อเราเป็นเทพตั้งอยู่ในโอกาสนี้นี่แหละเราก็ได้ต่ออายุต่อไปอีกโปรดทราบอย่างนี้เถิดท่านผู้นิรุข์อันนี้เป็นคำของอะไรเท้าวท้าสั ก, กะเท้าสักกะเขาบอกว่า ตอนที่ไปยืนฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในถ้ำทําอะไรถ้าอินทสาระเนี่ยนะถ้ำอินทสาระเนี่ยนะใกล้กรุงราชคฤห์นะถ้ำเนี่ยเอ่อท้าวสาักกะก็เข้าไปฟังธรรมฟังธรรมเนี่ยนะขณะที่จัดสิ้นอายุแล้วเนี่ยท้าวสักกะเกือบตายแล้วนะก็ไปฟังธรรมพอฟังธรรมจบก็เป็นพระโสดาบันต่ออายุได้อีก36ล้านปีอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพราะสถานที่ตรงนี้นี่พิเศษมาก่ารั้น เพราะฉะนั้นอิเทวะติธรมานัสสะเทวภูตสัสสะเมสโตเนอิเทวเนี่ยสถานที่ตรงนี้นี่ไม่ธรรมดาว่างั้นหมายถึงโอกาสโอกาสก็คือสถานที่นั่นแหละบางแห่งเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยัยว์วิทะเนี่ยเป็นแค่แค่ทำบทให้เต็มพระท่าปูรณะเนี่ยประดะแปลว่าบท ปุรนาแปล ว, ว่าเต็มก็แค่สักว่าทําบทให้เต็มทำคำให้เต็มอย่างเช่นอิทาหังพิขเวพุท ต, ตาวีอัดสังปวาริโตดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราแลบริโภคอาหารเสร็จแล้วก็คือห้ามแล้วไม่ให้เขาถวายอีกแล้วคือพระองค์เนี่ยชักพระหัตออกจากบาทสูตนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในธรรมธายาสูตรเนี่ยนะเราก็เสวยอาหารพอแก่ความต้องการแล้วชักมือออกแล้วอันนี้คําว่าอิทาหังพิขเวพุท ต, ตาวี อิทาหังเนี่ยนะอิท่บวกอาหารเนี่ยอิท่าแปลว่าเรานี้นี่แค่แค่ว่าคำเพราะสละสลวยไปแค่นั้นนะนะแต่บ้างแห่งก็หมายถึงโลกว่าเช่นอิท่าตถาคโตโลเกอุปปนโนอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุคโตโลกวิทูหรือแบบที่เราสำบัดเช้านะอิท่าตถาคตโลเกอุปปนโนอรหังสัมมาสัมพุทโธ ธ ร, รมโมเจเทสิโตนิยานิโอุปสสัมมิโกปริณิพานิโกสัมพุธคามิสุขตาปเวธิโตเนี่ยนะอิท่ตัวแรกตัวนั้นอนะ่ะอิท่ตถาคตโลเกเนี่ยนะอิท่ตัวนั้นหมายถึงพระตถาคตอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้คือในหมู่สัตว์โลกนี้พระองค์เกิดทำไมอุปัช ต, ติพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะพระองค์เกิดมาพระหูชนะก็คือเพื่อเพื่ออะไร หิตายะแปลว่าเกื้อกูลเนี่ยนะเพื่อเกื้อกูลหิตายะสุขายะก็คือเกิดมาเพื่อความสุขก็คือสรุปว่าเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขเขามีคําถวายทานนะนะอัถายะหิตายะสุขายะอั น, นทานที่ได้ถวายแล้วนี้ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการในนานเทืรนเนี่ยนะเขก็เนี่แหละเขาเร ก็มีไอ้คำว่าพระหูชนาหิตายะนะหิตะหิตายะสุขายะเนี่ยนิย้อนไอ้คำเมื่อกี้เนี่ยนะว่าอิท่าตถาคตโลเกเนี่ยอิท่ตัวนั้นแปลว่าในโลกนี้คือในหมู่สัตว์โลกนี้แต่ว่าศัพท์ตรงนี้เนี่ยนะศัพท์ว่าอิท่ตรงนี้เนี่ยนะอิทาตัวนี้มาจากไหนสันตีทาสันติธาเนี่ยนะสันตีทาสันติบวกอิท่เนี่ยนะอิท่ตัวนี้แปลว่าในโลกนี้ แปลว่ามูสัตว์ในโลกนี้ที่พอจะบรรลุมรรคผลได้มูสัตว์เหล่านั้นได้มาสู่คลองจักสุของพระพุทธเจ้าหมดแล้วอันนั้พวกที่บรรลุนะพระองค์เห็นหมดแล้วว่างั้นเหรนะสันติทะสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์แปลว่าอะไรสัเพสัตาเวลาโหนตัวอัพญญาปชาหนตัวอณีคาโหนตัวสุขีอัตนะปริหารัตัวสัเพสัตตาเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายแปลว่าอะไรสัตตาสัตตะ สัตตะนั้นหรือสัตว์เนี่ยแปลว่าชนทั้งหลายสัตว์เนี่ยแปลว่าติดในขันห้าแปลว่าขัดข้องอยู่กับขัดขัดตัวนี้แปลว่าแปะไว้นะหลุดไม่ได้ข้องข้องอยู่กับขันห้าหรือคล้องใจเอาไว้กับขันห้าเกี่ยวกับขันห้าเนี่ยนะเกี่ยวอยู่ในขันทั้งหลายนี่แหละเลยเรียกว่าสัตว์ก็แปลว่าผู้ที่ติดข้องอยู่ในรูปประคันด้วยอํานาจฉันธราคะก็เลยเรียกว่าสัตว์ ก็คือกลุ่มที่ยังติดข้องในขันห้าทุกชนิดทุกคนทุกประเภทเรียกว่าสัตว์หมดแต่คํานี้ก็รวมถึงพาอรหรันด้วยว่าอดีตพาทรหรันท่านก็เคยติดในขันห้าพาทรหันก็เลยเรียกว่าสัตว์เหมือนกันที่จริงอ่ะสัตว์เนี่ย ไ, ไม่ได้หมายถึงพาทรหันด้วยหรอกแต่ว่าเพราอดีต่นะเช่นคือเมื่อก่อนเนี่ยพาทรหันทั้งหลายก็เคยเป็นสัตว์ มันก็เลยเรียกว่าสัตเพสัพตตก็รวมทั้งผู้ที่ติดในขันห้าด้วยทั้งไม่ติดในขันห้าด้วยอเวราโหนตุเนี่ยนะอยได้มีเวรเลยสุกิตาโหนตุอยู่เป็นสุกเตอเนี่ยนะมันคำว่าสัตว์นีิหมายถึงติดในขันห้าด้วยฉันทราคะขัดข้องในขันห้าด้วยฉันทราเกี่ยวคล้องใจกับตัวเองไว้กับขันห้าด้วยอํานาจตัณหาเขาเรียกว่าสัตสัตมีชีวิตเลยเรียกว่าสัตตะ ก็บอกเพราะนั้นขยายความว่าโวหารคําว่าสัตว์นี้ใช้แมมในท่านผู้ปราศจากราคะแล้วมันผ่ารหัสปราศสิ้นราคะก็ยังเรียกว่าสัตว์อยู่อัประชกขตชาติกากิเลสในทุลีมีราคะโทสะและโมหะในดวงตาที่สําเร็จด้วยปัญญาของสัตว์เหล่านั้นมีเล็กน้อยสัตว์เหล่านั้นมีสภาพอย่างนั้นเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นเชื่อว่ามีกิเลสดุธุลีในดวงตาน้อย หรือว่ากิเลสดุดธุลีมีราค่าเป็นต้นของสัตว์เหล่าใดามีน้อยสัตว์เหล่านั้นชื่อว่ามีกิเลสดุดทุลีน้อย<ๆ>ก็แปลว่าคนกิเลสเบาบางนะคนมีแต่ว่ามันมันน้อยอะนะก็แปลว่าป่วยเหมือนกันแต่ว่าป่วยเล็กน้อยอะนะป่วยทางใจนิดหน่อยวฟังกันสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าอัปปะชักขะชาติกาเพราะมีกิเลสดุดทุลีคือราค่าโทสะโมหะเนี่ยนะในดวงตาปัญญาเนี่ยน้อย เทเสติเนี่ยนะทำมังเทเสหิตเนี่ยนะแปลว่าอ้อนวอนหรือว่าขอโปรดแสดงโปรดกล่าวโปรดสอนทำมังทำมังสับว่าธรรมะเนี่ยนะโอ้ยเราไปเรียนเรียนอะไรเรียนธรรมะบอกธรรมะตรงนี้ยกตัวอย่างมาแปลให้ดูตั้งเนี่ยตั้ง10ในเนี่ยนะเ้าใน10ในเนี่ยธรรมะเนี่ยบอกเรียนอะไรบอกเรียนธรรมะธรรมะบางทีแปลว่าปริยัติก็มีธรรมะบางทีก็หมายถึงสมาธิบางทีหมายถึงปัญญาบางทีแปลว่าปกติ บางทีก็หมายถึงสภาวะบางทีก็หมายถึงสุญญตาความว่างเปล่าเนี่ยนะบางทีก็หมายถึงบุญบางทีก็หมายถึงอบัตบางทีก็หมายถึงญาติธรรมคือตามที่ควรรู้บางทีก็หมายเอาอริยสัจจะทำมั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยแปลว่าเรียนอะไรเรียนปริยัตกางันถ้าบอกว่าไปเรียนธรรมะเรียนปริยัตถ้าปฏิบัติธรรมะก็ปฏิบัติในศิกขาสามเป็นต้นก็คือศัพท์ว่าธรรมะเนี่ยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยตรงนี้ยกมาเก้าถึงสิตัวอย่าง แต่จริงๆอ่ะมีกว่านี้อีกเยอะครับงานอ่ะเป็นต้นนะจะใช้คําว่าเป็นต้นเผื่อไว้ทางเลือกอื่นด้วยเหมือนอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าธรรมะมีความหมายว่าปริยัติก็ได้นะในพระไตรปิฎกนะเช่นอิท่าพิกุธรรมังปริยาปูนาติสุตังคยังเวยาการนังสุตตะคยะเวยาการณะเป็นต้นนะภิกษุในศาสนานี้ย่อมเรียนธรรมะคือสุตตะคยะเวยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกาชาตกาปุตธรรมเวทละเนี่ย ก็คือบางพวกก็เรียนแบบอลรักขูประมาปริยัติเกีเรียนแบบพวกจับอสสาวพิษที่หางบางพวกก็เรียนเพื่อจะปลดเปื้องตนให้พ้นจากทุกบางพวกคือพระอรหันต์ก็เรียนเพื่อรักษาแบบแผนวงของพระอรหันต์เอาไว้เพราะฉะนั้นคําว่าอิท่าพิคุทำมังปริยาปุนาติเนี่ยนะทำมังตัวนั้นหมายถึงปริยัติธรรมหมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วยองค์9ก้าก็คือสอนอ่าเรียนพระไตรปิฎกนั่นเอง บางทีเนี่ยนะสับธรรมัพั์แปลว่าปัญญาก็มีเช่นในคาถาที่ลิงกจระเคสเนี่ยจำได้ลิงกจระเคสที่ลิงเหยียบหัจระเข้เข้ามาไปเนี่ยนะเรั้นจระเข้เขาเลยบอกว่ายัตเสเ ต, เตจตุโรธรรมมาวานรินทายถาตวะสัจจังธรรมโมทิติจาโค ท, ทิถังโสอติวัตติท่านพยาวานนท์าำของใครจระเข้จระเข้บอกว่าท่านพยาวานนผู้ใดมีธรรมะสีประการคือสัจจะ มีธรรมะคือมีปัญญามีทิติมีจาระคะเหมือนอย่างท่านคือท่านลิงท่านนะมีสัจจะมีธรรมะมีทิติมีจารคะใครที่มีคุณธรรมอย่างนี้นะโอ้ยล่วงพลศัตรูได้ศัตรูทําอะไรไม่ได้หรอกอะไรเงี้นเพรามีความสามารถขนาดนี้ศัตรูทําอะไรได้เพราะฉะนั้นธรรมะยัเสเตจตุโรธรรมมาธรรมะตัวแรกเนี่ยหมายถึงสภาวะธรรมนะ ส่วนธรรมะตัวหลังนี่ยสัจจังธรรมโมทิติจารโณเนี่ยสัจจังธรรมโมทิติจารโณธรรมะตัวนั้นอ่ะแปลว่าปัญญาอันนี้ในคาถาอะไรในเรื่องในชาดกอ่ะลิงกับจระเคส่วนบางทีนี่ก็แปลว่าปกตินี่นะเช่นชาติธรรมมาชราติธรรมอ า, าอัฐมารณธรรมมิโนสัตว์ทั้งหลายมีชาติเป็นปกติคือเกิดเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆะนะการเกิดเนี่ยนะบอกโอ้เกิดแล้วบอกว่าปกติประมาณนั้นนะ แกแล้วอันนี้ก็ปกติอีกตายแล้วอันนี้ก็ปกติแปลว่าธรรมดาธรรมะตัวนี้แปลว่าธรรมดาก็ได้เนี่ยนะปกติก็คือมันธรรมดาแกก็เนี่ยเกิดก็ธรรมดาแกก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาเนี่ยนะแต่ไม่ใช่เราใช่ไหะถ้าบอกว่าเราตายเป็นธรรมดานี่ยไมอยากค่อยอยากฟังเท่าไหร่นั่นนะแต่ว่าจริงๆแล้วธรรมะเช่นอนชาติธรรมโตชราติธรรมโตเขามีในในอะไรนะใน ธรรมะสี่สิบอะนะตีรณปริญญานะชาติธรรมโตชาราติธรรมโตตัวนั้นก็แปลว่าปกติอุปาทานขันห้าเนี่ยมันเกิดเป็นปกติของมันอุปาทานขันห้ามันก็แก่เป็นปกติของมันอุปาทานขันห้ามันก็ป่วยเป็นปกติของมันอุปาทานขันห้านะมันก็ตายเป็นปกติของมันบางทีธรรมะแปลว่าสภาวะก็ได้เช่นกุศลธรรมกุศลธรรมอัพยากตาธรรม ะ, รรรม ะ, รรมะแปลว่า สภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลก็หมายถึงจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นรูปารมณางวามีรูปเป็นอารมณ์เป็นต้นนะหรือว่าสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็เพราะว่าสภาวะธรรมเหล่านั้นเจือด้วยราคะโทสะโมหะหรือว่าอัพยกากตาธรรมาสภาวะที่เป็นอัพยกากตาเช่นรูปวิบาิกิริยานนวิบากและกิริยาบางทีก็หมายถึงสุญญาตาแปลว่าความว่างเปล่า คือคอสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยนะว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลทั้งนั้นแหละเช่นตัสมิงโคปะนะสมเยธรรมมาฮุนติขันธาฮุนติเนี่ยนะสมัยนั้นน่ยธรรมะมีอยู่นะแต่ก็ว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลมีแต่ขันห้าเช่นว่าในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่มีอย่างอื่นนะมีแต่ขันห้าเท่านั้นเลย นะไม่มีใครอยู่ในจิตหรอกนะนะมันมีแต่เจตสิกผัสสะเวทนาสัญญามันว่างจากสัตว์ทั้งนั้นแต่มีแต่สภาวะธรรมเแปลว่าสุญญตาบางทีธรรมะแปลว่าบุญก็ได้เช่นธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติบุญอันบุคคลสั่งสมไว้แล้วย่อมนำสุขมาให้คนที่ทําบุญนะนำความสุขมาให้แน่นอนก็เลยกว่าธรรมะแปลว่าบุญถ้าใครที่สั่งสมบุญไว้แล้วธรรมโมสุจินโนก็คือสั่งสมบุญ สั่งสมธรรมะก็คือสั่งสมบุญผันใครที่สั่งสมบุญไว้แล้วนำมาซึ่งความสุขบางทีธรรมะก็แปลว่าอาบัตเช่นในปาติโมกนะเดเวอนิยตาธรรมะอาบัตอนิยตมีสองสิกขาบทเนี่ยนะในในในปาติโมกนะอนยตสองเนะี่ยปาราชิกเรียกว่าอนิธานกุเทศปาราชิกกุเทศอนิยตอานิยตะกุเทศเนี่ยนะจะมีอานิยอาบัตอนิยต ด, ด้วย อนิยตาก็คืออนิยตานยตไม่แน่นอนเนี่ยนะมีอยู่สองสิกขาบทบางทีธรรมะแปลว่ายายะสิ่งที่ควรรู้ก็มีเนะ่ยนะยยะแปลว่าสิ่งที่ควรรู้เนี่ยนะคือสัพเพธรรมมาสัพพากาเรณนะพุทธสภาวะโตยานามุขเข่อัปอาปาถังอาคัตฉันติยยธรรมทั้งหมดปรากฏในมุข ค, คือพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยประการทั้งปวงก็คือหมายความว่าสิ่งใดที่ควรรู้มีอะไรบ้างที่พระพุทธเจ้าไม่รู้มันสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมด พระพุทธเจ้ารู้หมดแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ส่องกลางวันเนี่ยนะแดดจ้าสว่างส่องเนี่ยที่ไหนบางที่ดวงอาทิตย์ไม่ส่องเนาะมันก็ฉันนั้นแหละส่วนธรรมะหมายถึงอริยสัจก็มีเช่นทิฏฐธรรมโมปัตะธรรมโมวิทิตฐธรรมโมเส้วนว่าผู้ที่ฟังธรรมจบแล้วใช่ไหมสบแล้วเนี่ยอย่างเช่นขายมังสุปปพุท ธ, ธกุฏิหรือแม้กระทั่งว่า อ, อุบาลีครหะบดีเป็นต้นเนี่ย เขาชื่อว่าพวกทิฏฐธรมโมปัตตธรรมโมวิธิตธรมโมเพราะอะไรแปลว่าผู้มีสัจธรรมสี่หรือผู้มีอริยสัจทั้งสอันตนเห็นแล้วเรียกว่าทิฏฐธรมโมนะทิฏฐธรรมโมก็คือคนเห็นอริยสัจแล้วปัตตธรรมโมก็คือบรรลุถึงอริยสัจแล้ววิธิตธรมโมก็แปลว่ามีสัจจะสี่อันรู้แล้วหรือรู้แล้วซึ่งสัจจะสเพราะฉะนั้นคนเหล่านี <useless> Mae, um mo, ้ไม่ต้องเชื่อคนอื่น ันนะถึงความแก้วกล้าในคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยเกลี้ยกล่อมให้ศึกษาคําสอนร้องเหมือนกั น, นเพราะอะไรเพราะตัวเองเห็นอริยสัจแลว้ว น, นะหรือใครจะเบนประเด็นให้ออกไปเป็นอย่างอื่นก็ไม่เป็นอีกแล้วเพราะอะไรเพราะทิฏฐธรมโมปัตตธรมโมวิธิตธรรมโมเนี่ยนะรรมมสรุปตรงนี้อยากจะบอกอะไรบอกว่าธรรมะตัวนี้แปล ม, มีความร้ายความหมายด้วยกัน แต่ในที่นี้เนี่ยนะมีความหมายว่าอย่างไงในในคาถาที่พรหมราธนาเนี่ยนะบรมมาจโลกาทิปฏิสามปฏิกัดอัญชลีอันติวรังอายาจทะเทเส ต, ตุธรรมังอะธรรมะตัวนั้นเนี่ยขอพระพุทธเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมเธอหมายถึงเท้าสามปดีพรหมเนี่ยต้องการให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะอะไรในธรรมะตั้งยกมาแต่เป็นตัวอย่างตั้งสิบ บอกหมายถึงอริยสัจธรรมขอให้พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจธรรมเธอแสดงธรรมเพื่อการกําหนดรู้ทุกเถอดแสดงธรรมเพื่อลักสมุทัยเธอะแสดงธรรมเพื่อทําท่านิพพานให้แจ้งเธอแสดงธรรมเพื่อเจริญอริยามรรคเธออ่ะ น, นะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอนุกรรมปะก็คือขอพระองค์อาศัยความกรุณาเนี่ยอนุกรรมปะที่เรียกว่าอนุเคราะห์ก็คือกรุณานั่นเองขอให้กรุณามูสาตว์ด้วยเถอด ก็คือประชาก็คือหมูสัตว์แปลสรุปว่าขอจงโปรดปล่อยหมูสัตว์จากสังสารทุกข์ด้วยเถิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์บางท่านก็เลยกล่าวว่าพระผู้เป็นใหญ่ในโลกคือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สูงสุดในนรชนอันหมูพรมทมอัญชิีทูลอ้อนวอนแล้วคือคำเนี้ยเขาสามารถแปลได้สองวิธีอาจจะแปลในประเภทว่าพระผู้เป็นใหญ่ในโลกใครใหญ่ที่สุดในโลกบอกพระพุทธเจ้า พระองค์เนี่ยแหละคือสูงสุดในนรชนพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่พรมทำอัญเชลีทูลอ้อนวอนอันนี้คาถาแรกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจบได้แต่เพียงคาถาแรกส่วนคาถาต่อไปก็เป็นครั้งต่อๆไปครั้งนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็พรมอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใดขอให้พวกเราทั้งหลายได้รู้เห็นธรรมนั้นทุกคนทุกท่านอนุโมทนา